ลองซ้อมดูนะลองซ้อมนี่มาดูกระบวนท่าได้แล้วก็มาดูเคล็ดลับของหลวงพ่อเจีย น, นเราได้กระบวนท่าอยู่แล้วแต่ว่ามาดูเคล็ดลับของท่านอ๋อเคล็ดลับของท่านท่านเคลื่อนไหวท่านรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งมือไม่ใช่คิดเรื่องมือไม่ใช่คิดเรื่องอื่ น, นเคลื่อนไหวรู้สึกก็แม้เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกบ้างฝึกอยู่สองสามวันนะแต่น่าจะไม่ถึงอาทิตย์เดียวเพราะวันนั้นน้าเดินอยู่ริมถนน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 งั้นตอนนั้นขาดสตินะพอเท้าเคลื่อนไหวนะสติเกิดปั๊บเลยเฮ้ยเผลอไปแล้วอะ่นะก็รู้ตัวนะความดีใจที่เห็นเพื่อนนะเราก็พอรู้สึกตัวดูปั๊บขาดสะบ้านเลยเฉยๆฉย ก, ก, ก็ทักทายนิดหน่อยพอใจละต่างคนต่างไป <laughs> นะงั้นจะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างเราพ่อใช้ลมหายใจแต่ก่อนแนละ้วจิตเคลื่อนไปเรารู้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 งันถ้าพาระปวธิละท่านจะจับเหี้ยตัวนี้ในจาปลวกนะท่านอุดช่องไปห้าช่องอีกช่องหนึ่งท่านต้องหลบๆบชำรืเงินชระงปลวแล้วค่อยฟาดหัวมันนะไม่ใช่จ้องปิดไปห้ารูแล้วรูรรสุดท้ายจ่องเี้ยตัวอะไรมันจะโผล่มาให้ดูกิเลสี่ไม่โผล่ให้ดูเลยมันจะซ่อนหมดเลยนะฟังเสียงแล้วดูซิว่าจิตไหวไหม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 เมื่อกี้กำลังหลงเพลินมีความสุขขึ้นมาไม่รู้งั้ความสุขตัวเนี้ประกอบด้วยโลภะนะมีกิเลสซ่อนอยู่มันมีความไม่รู้คือตัวโมหะยืนพื้นอยู่งั้นความสุขตัวเนี้จิต ด, ดวงเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิต ท, ที่เป็นโลภะมูลจิตนะจิต ท, ที่ประกอบด้วยโลภะนะจิต ท, ที่มีความสุขเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้ามีความสุขแล้วเราก็มีสติอยู่จิตดวงนี้เป็นผลของกุศลแล้วเป็นะจิต ท, ที่ดี